แนะนำบทอัลฮุยุรอตบทอัลฮุยุรอตถูกประทานลงมาหลังจากบทอัลมูยาดะละเป็นบทมะดาเดียมีทั้งหมดสิบแปดองค์การถึงแม้ว่าบทนี้จะมีองค์การน้อยแต่มีความสำคัญทางด้านจริยธรรมมากเพราะประมวลไว้ด้วยข้อเท็จจริงในการอบรมที่เป็นอมาตะไว้มากมายเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคง สำหรับสังคมที่มีเกียรติเป็นบทที่ทรงคุณค่าทางด้านศีลธรรมจงกระทั่งนักอธิบายกรานบางท่านถึงกับให้ชื่อบทนี้ว่าบทจริยธรรมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงบัญญติอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ทรงชี้แนะและประรมสั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้แสดงออกต่อบทบัญญัติของพระองค์ต่อคำสั่งของรอซูลของพระองค์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 เป็นห้องหับที่บรรดาอุลมุลมุมินีนพัญญาของท่านนับบีสุลลฺลลอห์วาเลวัสลังได้ใช้เป็นที่พานักอาศัยเชคอมัมัดมุสตอฟาอัลมาโรดีได้กล่าวไว้ในหนังสือตับซิดอัลมาโรดีของท่านว่าห้องหับต่างๆดังกล่าวนี้มีทั้งหมดเก้าห้องลังคามุงด้วยทางอินทพะลัง มุงไว้เตี้ยไม่สูงนักสามารถที่จะเอื้อมมือจับได้ต่อมาห้องหับเหล่านี้อัลวลิดอิบนูอับดุลมาลิกใช้ให้ผนวกเข้าไว้ในบริเวณมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮสล ล, ลฺไว้วะซัลลัมซึ่งประชาชนต่างพากันร่ำไห้ด้วยความเสียดายและอาลัยซอิดอิบนูมูไซยักกล่าวขึ้นในวันนี้ว่า ฉันปรารถนาที่จะให้พวกเขาปล่อยมันไว้ตามสภาพเดิมเพื่อผู้คนชาวเมืองบริณนะเมื่อได้เติบโตขึ้นมาตลอดจนผู้คนที่เดินทางมาจากต่างแด น, นจะได้พบเห็นว่าท้ า, ร, ารุสุลลาสลลัลลอฮอะ ล, ลัยวะสัลลัมได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรจะได้ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสมถะมักน้อยไม่โอ้กอวดกันและไม่ประปรัวประชันกันในการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย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 เมื่ออยู่ต่อหน้าอาลัลลอฮ์และอัลซูลของพรงพวกเจ้าจงยังเกรงอลัลลอฮ์เถิดแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้ยาอิยาอฮัลล์ดีนอาเมนูลาตรฟะอูอัลสวาตุมฟาวูฟซูตินนบีวลาตเจฮารูละหูบิลควลิกเจฮริบัลฎิคุมลิบัลฎิมอัลทับบะอัมมารุคุม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 ของพวกเขาเพื่อความยำเกรงสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวาัลอันใหญ่หลวงในปารลิเม์ถ้าจึงบรรดาผู้ส่งเสียงเรียกร้องเจ้าทางเบื้องหลังของห้องหักเหล่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ใช้สติปัญญา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 แต่ทรงให้การปฏิเสธศรัทธาและความชั่วและการฝ่าฝืนเป็นที่น่าเกลียดชังแก่พวกเจ้าเพราเหล่านี้คือพวกที่ดำเนินอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ม, ม, ลล ah มันเป็นความล้นเหลือและความโปรดปรานจากอัลลอะ์แต่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ و َ إ ِ ل َ ا أ ِ ف َ ت َ ا ن ِ م ِ ن َ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا ف َ إ ِ ن ب َ غ َ ت ْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى ت َ ت َ ف ِ ي ِ أَإِلَى أَمْرِ اللَّهِ ف َ إ ِ ن ف َ أ َ ت ْ ف َ أَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Uh และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาต่อสู้กันพวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยว่างทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งพวกเจ้าก็จงจัด ก, การกับฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับไปสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์แล้ว พวกเจ้าก็จงประณีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเพียงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิดแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ใหความเที่ยงธรรมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน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 อับดาผู้สะท้าทั้งหลายชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้ย่ะเยอะอชนอีกกลุ่มหนึ่ง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 <تمتلك البنقى conclusions> <تصفيق> <تصفيق> أيها الذين آمنوا ا جتنبوا كثيرا من ا ل ظ ن إ ن بعض ا ل ظ ن إ ث ن ولا تجسسوا ولا يغت بعضكم ب بعضا أحب أحدكم أ ن يأكل لحم أخيه ميتا فكره م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 และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยาอิฮันนาสอินนัค ل ลัก ك าคِม ذكره وَثَوَجَلْنَاكُمْ و َ ج َ ع َ ل ْ ن َ ا ك ُ شُعَبَ و َ ق َ ب ا ئ ِ ل َ ل ِ ت َ ع َ ا ر َอُ إِنَّ أ َนْ ر َ م َ ك ُ م ْ عِندَ ا ل ل َّ أ َ ث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 “คนที الله الله ่ไม ح เชืบอ”กล่าวว่า“เราได้สัทาแล้ว”จงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 แท้จริงบรรดาพูทธทาที่แท้จริงนั่นคือบรรดาพูทธทาเกาะลอและรอซูลของพร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 ว่าพวกเจ้าจะสอนอัลลอฮ์เกี่ยวกับศาสนาของพวกเจ้ากระ น, นั้นหรืออัลลอะ์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและพันดินแล้วร้านั้นทรงรู้ทุกสิ่งยยมมมนบ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 วัลล้าวบ ص ีรุมบิม่าจะอำลูนแพ้จริงอัลล่าทรงรู้สิ่งเร็นลับในบรรดาชั้นฟ้าและพันดินและอัลล่าทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทงัง